สอวันก่อนได้ดูคลิปนะวิดีโอสั้นๆนะในคลิปนี้ก็มีสัตว์อยู่2ชนิดคือนกนะกับหมาหมานี่ก็ตัวใหญ่นะส่วนนกเนี่ยก็อยู่บนโต๊ะนะบนต้นนี่มีอาหารไม่รู้ว่าเป็นตัวอาหารหรือเปล่านะหมานี่มันก็ชเงออ้อคอตัวมันสูงนะเรียกว่าขนาดที่เรียกว่าอ่า หัวนี่ก็อยู่ตรงขอบโต๊ะแหละคงอยากกินอาหารนะนะแต่มันไปไม่ถึงมันกินอาหารไม่ได้นะเพราะว่าหัวมันแค่อยู่ขอบโต๊ะแล้วมันจะกินอาหารได้ยังไงนะปรากฏว่านกนี่แหละช่วยป้อนให้มัน น, ะนกคาบอาหารนะก็มาป้อนใส่ปากหมานะ่ อาหารนี่นก็คงเป็นอาหารของนกด้วยนะหรือว่านกก็กินด้วยแล้วก็แบ่งให้หมากินด้วยป้อนใส่ปากเลยนะหมานี่มันก็เวลา ง, งับนี่ก็งับแบบอ่อนโยนเพราะว่าพอ ง, งับแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปงับะจะงอยปากของนกนะแต่ว่าเบาๆนะนกก็ กินเองบ้างแล้วก็แบ่งให้หมากินบ้างนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งแล้วก็เห็นลัประหลัดแต่ก็น่าชื่นชมแล้วก็ให้ความรู้สึกดีกับผู้ดูนะว่าสัตว์นี่มันก็รู้จักแบ่งปันกันแล้วไม่รู้ว่าสองชนิดเป็นเพื่อนกันได้ยังไงนะไล่ไล่กันก็มีคลิปนะเป็นหนูกับแมวนะ หนูเนี่ยมันเห็นจานจานสายอาหารแมวว่างหนูก็มากินอาหารแต่ประเดี๋ยวเดียวแมวก็มาแมวนี้ก็ไม่ได้ไล่หนูนะแมวก็ตั้งหน้าตั้งตากินกินอาหารในในถาดนั่นแหละแต่หนูเนี่ยมันกอ็อยากกินด้วยนะมันก็พยายามลากลากถาดอาหารนะออกห่างจากปากแมวแมวก็ตามไปนะ เราก็พยายามดึงถาดถาดอาหารนั่งกลับมาหนูก็ดึงออกไปคือแมวเนี่ยมันก็ไม่ได้ไล่หนูนะแต่ว่าสุดท้ายก็มันก็ว่าต่างคนต่างกินกันแล้วกันหนูก็กินแมวก็กินก็ไม่รู้ว่าหนูกับแมวนี่มันเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าแต่ธรรมชาติของมันเนี่ยมันก็ต้องเป็นศัตรูกันอันนี้ก็แสดงว่าแมวนี่ก็มีน้าใจนะ ดูคลิปสองคลิปแล้วเนี่ยทำให้นึกถึงคําตรัสของพระพุทธเจ้าที่เราพุทธภาษิตว่ากินคนเดียวไม่มีความสุขนะกินคนเดียวนี่ไม่มีความสุขนะพระพุทเ้ อ, อธิบายว่าเนี่ยเมื่อคนที่มีมากเนี่ยก็ต้องรู้จักแบ่งให้ผู้อื่นนะมีมากแล้วไม่แบ่งให้ผู้อื่นนี่ก็ยอมไม่ได้รับความสุขนะ คนไทยสมัยก่อนเนี่ยความรู้ด้านพุทธศาสนาอาจจะไม่มากนะแต่ว่ า, าพุทธภาสิตข้อนี้นี่เรียกว่าปฏิบัติได้อย่างน่าทึ่งมากสำหรับคนสมัยนี้ก็คิดไม่นึกไม่ถึงนะเออคนสมัยก่อนนี่เขาจะช่วยเหลือเกือ้อกูลกันนะเอาใจใส่กันเคยมีกองถ่ายทมสารคดีนะ บึงหญ้าป่าใหญ่มั้งหรือทุ่งหญ้าป่าใหญ่นี่แหละของคุณนิรมนเมธีสวกคุณไปถ่ายทํำสารคดีในชนบทหมู่บ้านแห่งหนึ่งระหว่างที่กองถ่ายนั่งพักก็มีคุณป้าคนหนึ่งถือปลาพวงใหญ่มาพอมาถึงกองถ่ายก็ถามคนในกองถ่ายซึ่งรู้จักกันดีว่าเนี่ยปลาพวงเนี่ยทำไมถึงจะกินได้นาน คนในกองถ่ายก็ตอบมาไปต่างๆนานาบางก็บอกว่าเอาไปใส่ตู้เย็นบ้างก็บอกว่าเอาไปทําส้มบ้างก็บอกว่าไปทําปลาร้าบางก็อบอกไปตักแดดนะคุณป้าบอกว่าเออยังไม่ถูกนะถ้าจะกินปลาให้ได้นานนี่ต้องเอาไปแบ่งเพื่อนบ้านให้ทั่วถึงนะคําตอบนี้นะน่าแปลกใจไหม อยากกินปลาได้นานต้องไปแบ่งให้เพื่อนบ้านอย่างทั่วถึงเลยคนกรุงนี่ก็อาจจะงงเพราะว่าถ้าไปแบ่งให้คนอื่นแล้วเราก็มีกินน้อยลงสิแต่สำหรับชาวบ้านเนี่ยเขารู้เลยนะถ้าไปแบ่งให้เพื่อนบ้านอย่างทั่วถึงเนี่ยก็จะมีได้กินก็จะมีกินได้นานนะเพราะว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเมื่อเขาได้รับปลาเขาก็ทราบซึ้งในน้าใจนะถึงเวลาเขาหาปลามาได้เขาก็เอามาแบ่งให้ คนไทยสมัยก่อนหรือว่าที่ไหนๆก็ตามสมัยก่อนนี่เขาก็รู้ว่าการแบ่งปันกันเนี่ยนะมันเป็นพื้นฐานของความสุข เ, เมื่อมีกินแล้วก็จะไม่กินคนเดียวจะแบ่งให้คนอื่นด้วยหลวงพ่อปัญญานะหลวงพ่อปัญญานาันทาเนี่ยท่านเคยเล่าว่าตอนที่ท่านเป็นเด็กนะอยู่ที่พัทลุงเด็กอายุประมาณเก้ิบขวบนี่ก็ชอบเล่นนะ แต่ว่าท่านบอกว่ามีอย่างนี้ที่ท่านเบื่อนะนี่คือความรู้สึกในวัยเด็กของท่านก็คือว่าเบื่อที่เวลาพ่อแม่เนี่ยได้อะไรมาเช่นทุเรียนหรือว่าจับปลาตัวใหญ่ได้ก็จะทำขนมแจกเพื่อนบ้านทําอาหารทําแกงแจกเพื่อนบ้านก็เป็นหน้าที่ของเด็กชายปันเนี่ยที่จะต้องเอาอาหารเนี่ยไปแจกให้เพื่อนบ้านให้ครบทุกบ้านเลย เด็กกำลังสนุกสนุกนะพ่อเรียกแม่เรียกแล้วเอาว่าเอาไปเอาขนมไปให้เพื่อนบ้านหน่อยท่านเลยบอกว่าตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเบื่อแต่ว่าพอโตขึ้นก็รู้ว่าเนี่ยนะเป็นสิ่งที่น่าประทับใจมากก็ทําให้บ้านของท่านเป็นที่รักนะของของผู้คนไม่ใช่เฉพาะในหมู่บ้านนะรวมถึงที่อื่นด้วยเพราะว่าเวลาคนแปลกหน้ามาก็าก็มาอาศัยข้าวอาศัยปลาอาศัยน้ำนของบ้านนี้แหละนะ เพราะว่าบ้านของโยมพ่อโยมแม่นั่นเฟืองเฟื้อมากเป็นผู้ใหญ่บ้านสมัยโน้นเนี่ยมันมีการขโมยวัวขโมยควายกันเยอะนะมันเป็นงานอดิเรกหรือเป็นเกมชนิดหนึ่งนะของคนหนุ่มต้องการโชว์ความสามารถก็ต้องขโมยวัวขโมยควายได้อนะันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นเหมือนกันเวลาขโมยวัวขโมยขโมยควายได้ในเจ้าของก็เดือดร้อน ทำยังไงนะก็มาหาโยมพ่อของท่านแหละบอกให้ช่วยหน่อยโยมพ่อของท่านนี่ก็เรียกว่ามีเครือข่ายกว้างขวางเพราะว่าความมีน้ําใจก็สาวจนทั้งรู้ว่าใครเป็นขโมยก็เพียงแต่บอกให้มาคืนเขาหน่อยที่ขโมยไปก็มาคืนให้โจนมันก็เชื่อนะเพราะว่าโจนี้มันก็เคยมากินข้าวกินน้ํานะของโยมพ่อโยมแม่ของท่าน เรียกว่าเคารพในน้ำใจนะพอโยมพ่อโยมแม่ท่านมาบอกว่าให้คืนวัวคืนคว้าเข้าไปไม่ต้องเรียกค่าไถ่นะก็ยอมคืนให้นะโดยดีอันนี้ก็เป็นเป็นคุณธรรมนะของคนสมัยก่อนนะทั้งทั้งคนที่เป็นสุจริตชนแล้วก็คนที่เป็นโจรสงบสุขพอสมควรนะถึงแม้ว่ามันจะนะลำบาก บางปีฝนแรงน้ําท่วมนะแต่ว่าเมื่อเอื้อเฟื้อกันแล้วก็อยู่กันได้นี่เป็นคุณธรรมที่ที่เราควรจะระลึกเอาไว้นะมันเป็นภูมิปัญญาด้วยนะคือถ้าจะถ้าจะมีกินได้นานต้องรู้จักแบ่งปันถ้าคิดจะกินรวบคนเดียวเนี่ยนะมันกินได้ไม่นานคุณธรรมข้อนี้เนี่ยถ้าใครรักษ า, าไว้นะก็จะมีความสุขนะ กินคนเดียวนะไม่มีความสุขนะรู้จักแบ่งปันนะถึงจะมีความสุขสุขทั้งกายนะคือท้องอิ่มพอมีคนเอามาช่วยเอามาเอื้อเฟื้อแล้วก็สุขทั้งใจด้วยเพราะว่าได้เอื้อเฟื้อเกื้อกูลู่นพรนะ